คือตอนนั้นที่ภาวนาแล้วก็คือไม่เคยเป็นอะนะคะภาวนาแล้วจิตมันเศร้ามันเศร้าอยู่ลึกๆข้างในอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอกลับเรียนหลวงปู่หลวงปู่ก็เลยบอกว่าให้ถามมันดูว่ามันเศร้าเพราะอะไรทําไมมันถึงเศร้าอันนี้มันเป็นเรื่องเดียวกับที่หลวงตาบอกใช่ไหมคะที่ว่าให้คือความเศร้าก็คือเป็นจิตปรุงแต่งที่ไปอยู่กับอะไรมันถึงเศร้าก็คือไอ้ความเศร้าเนี่ยมันก็คือเป็นธาตุธาตุขันเฮ้ยมันก็ต้องไป็ขันหน้าเพราะว่ามันมีอาการได้แต่ถ้าเป็น เป็นจิตเดิมแดิมหรใจแท้ๆ ท, ที่เป็นมีแต่ความว่างอันเนี้มันเศร้าไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์ไม่ได้พองใสไม่ได้เศร้าบอกไม่ได้เพราะว่ามันมีแต่ความไม่มีอะไรมีแต่ความรู้คมันถ้าเศร้าก็ต้องถามตัวเองว่าเอาใจกับจิตใจแท้ๆกับจิตปงแต่งเนี่ยมันไปรวมกันจะแลนเนี่ยมันเอาไปอยู่กับใครอ่ะมันไปอยู่กับใคร อันนี้นถึงทําเศร้าหรื อ, อรไปอยู่กับอารมณ์ไป อ, อยู่กับอารมณ์เอออยู่กับอารมณ์ก็เศร้าแต่ถูกอารมณ์ดูดไปเราก็รู้แล้วตอนนี้ยว่าเรามีที่ไปแล้วเพราะว่าไปเป็นจิตปรุงแต่งไม่ได้เป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งเพราะาใจมันมีแต่ความรูุ้นปรุงแต่งไม่ได้มันเป็นความว่างเหมือนดั่งอวากาศเหมือนดั่งความว่างธรรมชาติส่วนตัวปรุงแต่งนี่มันเป็นขันห้าทุกอย่างที่ปรุงแต่งได้เป็นขันห้าหมดถ้าเป็นขันห้าถ้าเรายังเป็นขันห้าทุกระปัจจุบันต้องมีที่ไป ก็ต้องถามที่หลวปู่ถามว่าแล้วไปไหนอ่ะนั่นแหละที่ไปของเราที่เกิดถ้าเราห่วงแมวที่บ้านสมมติเรามันอยู่นี่ห่วงแมวที่บ้านเราก็ไปเกิดเป็นลูกของแมวถ้าแมวมันมันมันพร้อมที่จะให้เราไปเกิดเราก็ไปเกิดเป็นลูกของมันเพราะนั้นโอกาสง่ายนิดเดียวที่เราจะไปเกิดเป็นอะไรไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นลูกไปเป็นลูกแมวที่เรารักมันก็ได้ไปเป็นลูกหมาที่เราห่วงมันก็ได้มันจึ ง, งง่ายมากเลยห่วพ่อแม่ห่วงพ่อแม่เราก็ไปอยู่ อยู่เฝ้าเขา ห, ห่วงพ่อแม่ก็ห่วงได้แต่ก็รู้เท่าทันความห่วงมันห่วงระดัะห่วงไปช่วยเหลือแต่ว่าไม่ได้ห่วงพระใจไปไปยึดไปอะไรเพื่อจะทำใหถ้ถูกต้องไหมครับไม่ใช่ต้องบอกแล้วงานต้องมีสติและปัญญากากับคู่กันตลอดเวลาว่าความห่วงเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติมันมีได้ทุกคนรู้เท่าทันไม่ไม่ใช่รู้ต่อตานะต้องมีสติปัญญาเห็นว่า ความห่วงมันเป็นอะไรมันเป็นขันธ์หน้าหรือจิตความปล่าหรือใจเดิมใจแต่แต่ที่เป็นความว่างมันเป็นขันธ์หน้าดังนั้นความห่วงถ้าเรายังเป็นตัวเราเป็นความห่วงมันก็หมดโอกาสเป็นใจที่ว่างเปล่าดังนั้นถ้ามันจะห่วงแต่เราก็เห็นว่าไอ้ความห่วงเนี่ยมันเป็นขันธ์ห้ามันเป็นจิตปรุงแต่งแต่มันไม่ได้เป็นเราถ้าเราเป็นความห่วงเราก็เป็นจิตปรุงแต่งงนั้นจิตปรุงแต่งกับใจที่ว่างเปล่าเนี่ย มันจะเป็นขณะจิตเดียวกันไม่ได้จะเป็นอันเดียวกันในขณะจิตเดียวกันไม่ได้ถ้าเราจะเป็นใจเป็นเป็นผู้ห่วงเราก็จะไม่เดี๋ยวมันก็ไม่ใช่ความว่างก็ไม่เป็นใจที่วางเปล่าครับตอนนี้ที่บอกว่าแดนผิดเพราะอะไรเพราะห่วงพุ๊บรู้ตระทานห่วงแล้วผู้เู้ตระทานให้ผูรรร้รู้เท่าทานเป็นอะไรรู้เท่ารู้เท่าทันถ้าห้าหรือเป็นใจที่วางเปล่ารู้เท่าทานันมันก็ตีไปสองมุมถ้ารู้เท่าทันแล้วก็ แล้วก็ไม่ยึดความห่วงก็ความห่วงหายไปก็เป็นความว่างเป็นเป็นเป็นแค่สติแต่ถ้า<ม>รู้เท่าทั น, นก็ยังไปยังยังไปยึดยังยังติดกับห่วงอยู่ก็จะเป็นขันห้าแม้แต่รู้เท่าทันแล้วแล้วมารักษาใจตัตวเองไม่ห่วงผู้ที่รักษาใจตัวเองไม่ห่วงนี่เป็นขันห้าหรือเป็นใจที่ว่างเป็นขันห้าเพราะว่าไปไปกระทําไปกระทํามันต้องแหละอย่างเงี้ยเริ่มแม่นแล้ว ต้องอยู่เฉยๆคือซื่อๆรู้ซื่อๆอย่างเดียวไม่ต้องไปทําอะไรรู้ไม่รู้เล่อ่านใจให้ขาดกันแล้วกันอ่านใจเตยให้ขาดแล้วกันจะใช้ภาษาพูดไว้ไงก็ได้อ่านใจให้ขาดว่าไม่เป็นตัวปรุงแต่งหรือเป็นตัวแต่งคือคือทุกอย่างรู้อย่างเดียวไม่ทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้ละแต่ใช้คําพูดอะไรก็ได้แต่ต้องอ่านใจเตยให้ขาดว่าขณะนี้เขารู้เท่าทันนีมันยังมันก็อาจจะตีไปสองในยะได้ถ้าถ้ารู้รู้แล้วก็กลับมา รักษาอันนี้เป็นตัวปรุงแต่งทันทีอ่ารู้แล้วก็รู้รู้รู้รู้แล้วก็รู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยรู้แล้วก็ไม่ยึดรู้แล้วไม่ยึดนะคะ่ะคือคืออยู่กับมันก็กลายเป็นความว่างฮะก็คือเขาวความว่างก็คือเป็นจิตปัจจุบันก็คือนิโรดก็คือเป็นทานชัว่วกันาดเดียวทั้หมดเออจวกระทั่งมันก็เป็นใจที่เป็นธรรมชาติที่ว่างเปล่าตลอดไปอย่างถาวรสมมติว่าเราจะเราจะตรวจสอบอีกมุมหนึงอะ่ะ ให้ให้ให้เหมือนจะเช็คอะค่ะว่าถ้ามันมีตัวรองรับอะทําอะไรก็แล้วแต่ว่ า, ามันยังมีตัวที่จะรองรับอีกสิ่งนะั้นน่ะคือนั่นอนะคือขันหน้าได้ไหมค ะ, ะมีตัวเราเป็นตัวรองรับมันก็นขันหน้าได้สิ่งที่รองรับได้ก็เป็นขันหน้ามีตัวเราไปรองรับมันก็เป็นขันหน<า>้าแต่ถ้ามันมีแต่สิ่งนั้นแต่ไม่มีใครไปรองรับมันก็มีแต่ขันหน้าที่ปูงแต่งกับใจที่ว่างเปล่าค่ะถูกต้องต้องอ่านใจตัเงนี้ขาดนะไม่มีใครช่วยใครได้ตรงเนี้ยอ่านเอง ตัวอะไรเป็นเครื่องอ่านนะสติปัญญาเป็นเครื่องอ่านติคนอื่นช่วยอ่านไม่ได้อะต้องอ่านเองดใจของตัวเองอ่ะถ้าถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็าจะเหมือนมีทางละมันก็จะเหมือนกับที่ดวงตาบอกว่ามาวัดหัวตลุกล ม, ล ม, ามาไม่หลงมาไม่หลงนะคือมันอาจจะช้าจะเร็วมันก็รู้ทางละรู้ทางแต่ว่าที่เราเนี่ยทิงสติปัญ ญ, ญาไปมันจะไปะแวะกลางทางอะไรไปบ้างก็แต่ก็เห็นทางละคือ ก็ไม่ไม่ไม่ไม่นานละคือคืชาติเร็วมันก็ยังมีมีโอกาสถึงอ่ะเราแว้ข้างทางก็แสดงว่าเราทิ้งสติปัญญาไปในแต่ละขณะจิตนั้นอยู่ที่ว่าเรารู้ทางแล้วแต่เราทิ้งสติปัญญาเรื่อยๆเราก็แทบจะบางทีมันมาไม่ถึงปลายทางกั น, กนงั้นการงั้นการสวดมนต์หรือว่าทําอะไรต่างๆที่เขาบอกว่าทําในรูปแบบเนี่ยสวดมนต์เดินจงกรมตร่างๆก็เพียงแต่ว่าทําเป็นแค่เครื่องอยู่เฉยเพื่อให้เพื่อให้มันมีสติปัญญาเพื่อเพื่อที่จะไป เห็นขันห้าแล้วก็จะอยู่กับความปัจจุบันขณะการที่เราสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ทําความสงบใจตอนตมาที่ในด้านรูปแบบหรือเดือนจงกรมหรือมีความสงบใจในตอนไหนก็ได้มันเป็นฐานเป็นฐานให้เราเนี่ยสติปัญญาเราสังเกตสังเกตเห็นจิตที่ปรุงแต่งกับใจที่ว่างเปล่าได้แต่ถ้าใจเราไม่สงบเรามีแต่ความไม่สงบไม่สงบไม่สงบไม่สงบเราจะเอาสติปัญญาไปสังเกตตรงไหนแล้วพระเจามันไม่สงบ วันนี้ไอ้ตัวเติสมาธิเนี่ยมันเป็นตัวช่วยสติปัญญาที่ทํำให้สติปัญญาเนี่ยมันสังเกตดูจิตใจของตัวเองได้เห็นว่าเนี่ยมันเป็นธรรมชาติปรุงแต่งกับใจที่ไม่ปรุงแต่งแต่ถ้าไม่คนที่ใจไม่สงบเนี่ยมันไม่มีสติปัญญาที่จะเห็นมันจะเสริมกันมันเสริมกันสมาธิเสริมกันแต่จะมาจะมีสมาธิได้ต้องมีสติควบคุมไว้เช่นสติ เป็นตัวควบคุมจิตให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกสติเป็นตัวควบคุมจิตให้อยู่กับควาบริกรรมพุทโธพุทโธสติเป็นตัวควบคุมจิตให้อยู่กับคําสวดมนต์เพราะนั้นสมาธิจะมีได้ต้องมีสติเป็นตัวคว human human บคุบคเ ม, ม, ม, วควมเพราะนั้นตัวสติเนี่ยเป็นตัวเดียวเลยที่ขาดไม่ได้ถ้าสติขาดสมาธิก็จะขาดสติขาดปัญญาก็จะขาดเพราะนั้นสติเนี่ยเน่ยตั้งแต่ขั้นสงบเลยเป็นตัวที่จะช่วยทําให้เกิดสมาธิ เพราะว่าถ้าไม่มีสติควบคุมจิตให้อยู่กับเครื่องล่อมันก็จะไม่เกิดสมาธิคือสติตอนแรกที่ที่ที่ดวงตาพูดนะี่คือสติขั้นต้นแต่สติที่ไปไปเห็นนะี่คือสติขั้นขั้นปัญญ า, ป, ญญาปัญญาละปัญญาแล้วก็ยังยังไม่ถึงขั้นสูงสุดสูงสุดด้วไวอีกทียังไม่เห็นก็คือปัญญานี่ไงครับครับปัญญาที่มันเป็นประกอบกับสติเลยอันนี้คืออันเดียวกันแล้วครับครับก็คือสติในขั้นสมถะกับสติในขั้นปัญญามีแค่สอัน สติในขั้นสมาธาก็คือช่วยให้ใจส ง, งบแล้วก็ส ง, งบเพื่ออะไรเพื่อป็บาดฐานให้ให้สติปัญญาบันสังเกตเห็นดูว่าในความปรุงแต่งมีความไม่ปรุงแต่งมีในความปรุงแต่งมีความไม่ปรุงแต่งถ้าเรายังเป็นปรุงแต่งย่อมหมดอกาสเป็นความไม่ปรุงแต่งมันจะเป็นขนาดเดียวกันไม่ได้ถ้ายังเป็นปรุงแต่งกุ๊กจุ๊กจุ๊กจุ๊กแล้วมันจะเป็นความไม่ปรุงแต่งได้ยังไงอ่ะมันจะเป็นขนาดเดียวกันไม่ได้ใช่ไหมก็ใช่ เฮ้ยที่ที่ที่หลวงตาเคยสอนว่ามหาสติมหาปัญญานี่คือเป็นผมก็เลยเข้าใจว่าสติขั้นต้นคือสติที่การที่จะเป็นเครื่องอยู่สติขั้นขั้นต่อไปคือสติที่เป็นปัญญาสติที่เห็นมีปัญญาบ่อยๆมันก็จะเป็นมหาสติมหาปัญญาถูกไหมครับถูจนกระทั่งการเป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งครับแล้วก็ปล่อยวางจิตที่ปรุงแต่งหมดครับการข้อนี้เข้าใจหมดละตอนนี้ก็เหลือแต่ว่า ขยันแวะหรือขยันเดินทางถ้าขยันแวะคือทิ้งตติปัญญาเอเข้าใจหมดแล้วก็คือถ้าขยันแวะก็คือทิ้งตติปัญญาตรงนี้ก็รู้แล้วปะจะมาหาหลวงตาเนี่ยที่วัดหัวตลูกนรสวร์นเนี่ยรู้แล้วจะเดินทางมาจากกรุงเทพแต่ขอแวะก่อนแวะไปแวะมาทิ้งตติเลยแวะไปนู่นแวะไปนี่ตายก่อนตายไปก่อนแล้วยังไม่ถึงปลายทางเลยมันก็อยู่ที่ว่าทิ้งไม่ได้ดูตติปัญญาทิ้งไม่ได้ตลอดสายเลยตั้งแต่ขั้นสมสถะเลย เนี่มันก็อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันก็รู้ตัวเองตัวเองว่าเราเป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งหรือเราไปเป็นตัวปรุงแต่งเรานี่ไม่ถึงว่าไม่ถือว่าเป็นตัวเราจริงจังแต่เราพูดกับเป็นตัวสปนามเออเป็นตัวสปนามที่เรียกสมมติกันให้ให้สื่อสารเข้าใจเข้าใจกันแต่ไม่ได้ไปถึงว่าเรายึบเป็นตัวเราเป็นตัวตนจริงๆเขาที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่เนี่ยเราก็จะหลุดไปเป็นตัวปรุงแต่งตลอดเวลาเลยเราก็ตัวสติปัญญาเนี่ยเป็นตัวเครื่องอยู่ ตัวสติปัญญาเนี่ยเป็นตัวเครื่องอยู่ที่มีปัญญากํากับตลอดเวลาเลยมีปัญญากํากับตลอดเวลาว่าอันนี้เป็นจิตปรุงแตง่งตอนนี้ใจเป็นความไม่ปรุงแตง่งต่อไปพอนนานๆครับมันไม่ต้องกำกับเพราะว่ามันมันเป็นธรรมชาติมันเป็นของมันเองอยู่แล้วมันก็ไม่ต้องไปคอยบอกมันเป็นจริงหรือเปล่าหอหรือแค่จําเอาชัดไหมเอาเอ า, เอาให้ทบทวนดูสิไอ้มดเอาเข้าใจมากขึ้นกว่าตอนแรกค่ะ อคือมันมันมันเห็นตัวอย่างว่าเวลาที่เห็นตัวอย่างเวลาที่ที่หลวงตาสอนไปด้วยแล้วก็เราก็สังเกตจิตเราไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นเออไอตัวที่มันปรุงแต่งอ่ะค่ะตัวที่มันแปกปลอมเข้ามาอะไรเงี้ยคือไอ้ตรงนั้นอะมันเราก็ยึดมาตลอดว่านั่นคือเราอ่ะเราเราเราอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้เราไม่ได้วางมันแต่จริงๆคือมันมีตลอดเวลาถ้าเกิดเราไปเห็นแล้วเรารู้สึกว่าบางขณะมันเราไม่มีตัวนั้นน่นมันคือวาง แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไม่ได้อะไรมันเลยเราก็ยึดตัวนั้นเป็นตัวเราเนียนด้วยกันไปเป็นตัวเดียวกันไปเลยค่ะเ<า>ข้าใจอย่างนี้ค่ะก็อย่างนั้นเนี่ยเราเป็นความไม่ปรุงแตง่งแต่มาว่าไม่ใช่เป็นตัวเราจริงจริงจังคือเราพูดกันเป็นสปนนามว่าเราเป็นตัวไม่ปรุงแตง่งแต่ธรรมชาติของขันนาก็ า, าปรุงแตง่งก็อยากจะปรุงแต่งไปมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเรา็ <sah. S 1> ราาต้องทอะไร ไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะพยายามไปทําอะไรเป็นอะไระอือเห็นไหมถ้าเราพยายามไปทําอะไรเป็นอะไรเป็นขันห้าเออเป็นขันห้างเป็นตัวปุงแตง่งเห็นไหมค่ะนัะ้นมาดึงเวลามีมีลูกศิษย์หลวงพูชาสุปัทโทมาถามหลวงพูชาว่าการปฏิบัติที่รัดรัดและสั้นและเร็วที่สุดการปฏิบัติที่ดีที่สุดเนี่ยคืออะไรหลวงพูชาตอบไปยังไง ร, รู้ไหมไม่ต้องทําอะไร ไม่ต้องทําอะไรเข้าใจไหมครับว่าไม่ต้องทาอะไรเข้าใจค่ะเพราะถ้าทําอะไรเพราะถ้าทําอะไรเมื่อไหร่ก็เป็นขันห้าเมืนั้นเออใช่ใช่ใช่ใช่เป็นตัวปรุงแต่งเป็นขันห้าหเพราะใจมันทําอะไรไม่ได้ค่ะแล้วมีผู้ถามพุทธเจ้าว่า ปฏิบัติแล้วจะได้อะไรปฏิบัติแล้วจะได้อะไรแหลตอบไอด้เด่นปฏิบัติแล้วจะได้อะไ ร, ระที่สุดของการปฏิบัติจะได้อะไรถ้าจาบ่บบาวกุทธเจ้าฟั ง, งธรรมเจ้าจบจนรู้แจ้งแล้วแล้วจะได้อะไรกุธเจ้าเนี่ยอุตส่าห์ทุกยากลำบากถึงหกปีเต็มสละทุกอย่าง สุท้ยพุทธเจ้าได้อะไรตามพุทธเจ้าสุดท้ยพุทธเจ้าได้อะไรได้ได้อะไรไม่ได้ เ, เห็นนะได้อะไรความคาไม่มีอะไรใช่ไหสิ้นกิเลสใ่าพุทธเจ้าตอบว่าไงไหมไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรตอบแค่นี้ ถ้าได้ก็เป็นขันห้าใช่ถูกต้องเพราะใจที่วางเปล่า ย, ย่อมไม่มี<ถ>ตัวผู้ได้เลถ้าก็ดีอยากทำบุญก็ยังเป็นขันห้าต้องทำโดยที่เหมือนกับว่า มันเป็นหน้าที่ของชาวพุทธที่จะสืบทอดศาสนามากกว่าถ้าถ้ายังอุ้ยทำบุญแล้วจะได้บุญเยอะตรงนี้บุญเยอะก็ยังเป็นขันหาถ้าได้อะไรก็ต้องเป็นอะไรขันหะขันห5เป็นตัวได้ใจ ท, <ำ>ที่ว่างเปล่าเนี่ยมีตัวตนจะได้โดยโด ย, โด ย, โ, ดยโดยไ ม, ไม่ไม่มีความหวังอะไรเลยไม่ต้องการอะไรเลยทำเพื่ออาจจะเพื่ อ, อทำหน้าที่ของชาวพุทธเฉยๆก็ตอบแทนคุณพรพุทธศาสนา สืออบทอดเวรศาสนาให้หยู่ได้ยาวไปแค่นั้นเองอยังอื่นถ้าได้อะไรก็เป็นขันธ์ห้าแต่การทําบุญกุศลนะเจ้าถึงว่าไม่ไม่มีอะไรเกินกว่าฝึกฝนใจของตัวเองให้รู้แจ้งแล้วช่วยเหลือชี้แนะสั่งสอนผู้อื่นในเขารู้แจง้งสิ่งนี้จะจะทอดจากผู้หนึ่งไปสู่อีกที่ผู้หนึ่งผู้หนึ่งไปสู่อีกผู้หนึ่งไม่มีวันจบสิน้นถ้ายังมีผู้ที่รับการถ่ายทอดนี่แนี่ยคือจะรักษาเวรศาสนาไว้ได้ ถาวรแวก็ถุบวชพระบวชอะไรที่เราสร้างไปพยายามไปบวชไปถวายพระเหลืองสร้างนูน่นสร้างนี้ไปสร้างบุญกุศลสร้างอะไรมากมกายไก่กองอันนั้นยังไม่ได้สามารถรักษาวิสัชนาไม่ได้จะรักษาวิสัชนาไม่ได้เร่งปฏิบัติตัวเองให้ถึงใจที่ว่างเปล่าแล้วก็ปล่อยวางแม้แต่ใจที่ว่างเปล่าถึงแล้วก็ไม่ยึดว่าใจเนี้ยเป็นใจของเราเราเป็นใจนี้พยายามยึดใจที่ว่างไว้คุณก็ยังทุกข์ตายอยู่นั่นเนี่ย มันเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนกับ เ, เนี่ยเอกการน้ําเนี่ยเป็นขันหน้าตอนแรกพวกคุณทั้งหลายแบกขันหน้าไว้ยึดขันหน้าเอาตัวเองเป็นตัวปรุงแต่งตลอดเลยเอาตัวเองเป็นตัวปรุงแตง่งปรุงแตง่งปรุงแตง่งปรุงแตง่งก็เท่ากับยึดขันหน้าไว้วันหนึ่งก็มาหาอาจารย์อาจารย์บอกว่าให้วางขันหน้าซะอย่าไปเป็นตัวปรุงแตง่งวางวันนีว้วางเดี๋ยวนี้วางวางเดี๋ยวนี้เลยวางขันหน้าลงวางขันหน้าลงนะเหลืออะไรเนี่ย เหลืออะไรไม่เหลืออะไรเลยแต่ความมีแต่ความว่างเปล่าคุณแบกความว่างเปล่าไว้อีกแล้วเป็นยังไงอ่ะเมื่อยไหมเนี่ยเออเมื่อยนั่นแหละถ้าคุณยังยึดใจที่ว่างเปล่าว่างเปล่ามันไม่ว่างไม่ได้ต้องว่างเปล่าอย่างนี้แหละเมื่อยไหมเมื่อยเออพอพบใจที่ว่างเปล่าแล้วเดินเนี่ยถึงนิพพานนิพพานไม่ใช่ใจที่ว่างเปล่านิพพาน คือพบใจที่วางปาแล้วก็ไม่ยึดใจที่วางเปล่ามันมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งไงพาะเจ้าเราก็เล่าให้ฟังหนังก็หนังฝรั่ ง, พ, งพระเอกนี่เก่งมากเลยเป็นอัศวินเหมือนเเป็นอัศวิ น, เ ป, นเป็นยอดฝีมือสู้มาต่างคนต่างเนี่ยแย่งชิงสุดยอดพระคำภีแย่งชิงสุดยอดพระคำภี ใครก็อยากได้สุดยอดพร ะ, ะกัมพีเนี่ยสู้กันมาจนกระทั่งพระเอกในเก่งที่สุดก็สู้มาจนผ่านดา่านมาถึงด่านสุดท้ายมาถึงผู้ที่คอบครองพระกัมพีอยู่ผู้ติดคอบครองพระกัมพีก็พยายามพูดคุยให้เขาสบายใจบอกเดี๋ยวไม่ต้องแย่งชิงหรอกให้สบายใจวันนี้ไม่ต้องแย่งชิงเดี๋ยวให้ดูอยากได้ก็จะให้นี่ก็ไม่ไว้ใจกลัวเดี๋ยว เดี๋ยวแอบคาบอ่าวางยาพิษมาเนี่ยออุตส่าห์มาจนถึงนี่แล้วจนถึงที่สุดแล้วถึงด่านสุดท้ายแล้วก็ย้าวก็บอกว่าจนกทั้งอ่ะ เ, อเริ่มคุ้นเคยกันเริ่มวางใจได้แล้วก็ก็แต่ก็ยังไม่ยอมจะอขอดูคัมภีร์ได้ไหนคมภีรขอดูคัมภีรเพราะว่าไม่ไว้ใจนี่เดี๋ยวแอบคาบอ่าเนี่ยเดี๋ยไม่ไม่เห็นคมภีร์ว่ามีจริงก็เปล่าไหนครอบครองคำพี์วิเศษจริงก็เปล่าก็เลยว่าอยากต้องเห็นคมพีก่อน เพืจะวางใจได้ก็เลยเอาคมภีมาให้ดูเอาคำภีพิเศษมาให้ดูก็เปิดคมพีกไปปุ๊บหน้าแรกเจอกระจกสองหน้าเห็นแต่ตัวเองขี้หยดมากเลยจะเอาจะเอาจะเอาจะเอาจะมาเอาคมภีให้ได้คมภีพิเศษเปิดหน้าที่สอง เจอกระจกสองหน้าตัวเองเปิดหน้าที่สามคำภีพิเศษงไงมีแต่ ก, กระจกสองหน้าเปิดกี่หน้ากี่หน้ามีแต่ ก, กระจกสองหน้าจริงคนพบตัวเองว่าโอ้ยคำภีพิเศษที่จริงทำไมมีแต่ ก, กระจกสองหน้าเพราะอะไรเห็นแต่หน้าตัวเองทุกหน้าเห็นอะไรอืม การปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยสุดยอดพระมภีสอนเพื่อหเห็อะไรเห็นตัวเองขันห้าเห็นตัวเองขันห้าแต่ในในหนังเรื่องนั้นก็ยังไปไม่ถึงที่สุดที่สุดแล้วเดี๋ยวเราแต่งต่ออีกหน่อยคือเมื่อเจอกระจกีนตัวเองแล้วเนี่ยแล้วก็ยังไม่หยุดแค่นั้นปล่อยวางหน้าที่พบตัวเองไปแล้วก็ต้องไปเจอ กระดาษเปล่าที่เจาะหน้าไปรู้ความว่างไว้หน้าต่อไปมีแต่ความว่างเมื่อไม่ยึดถือตัวเองขั น, น้าก็พบใจที่ว่างเปล่าพบแต่ความว่างจริงรู้ว่าสุดจอดพระครรมภีมีแค่นี้เองที่คนสแสวงหาเจ้าของพระครรมภีที่เขาครอบครองอยู่ เขาเลยบอกว่าเขาครอบครองพระคมภีนี้มานานมากแล้วดีใจที่ได้พบเจ้าของคนใหม่ขอให้ท่านอยู่รักษาพระคมภีนี้ตลอดไปเขาจับจากไปแล้วขอร้องขอร้องให้ท่านจงอยู่รักษาพระคมภีนี้เขาจะได้หมดภาระนีเสียทีเข้าใจไหม แต่พระเอกว่าพระเอกก็ได้ที่มาเจอแล้วก็หัวเลาะแล้วก็ผู้ใดยังรักษาคำภีไว้ผู้นั้นก็อยากทุกข์ตลอดไปท่านจงรักษาต่อไปเถอะข้าได้พบแล้วได้เห็นแล้วแล้วก็กหัวเลาะแล้วก็เดินจากไปไม่ได้เอาพระคมภีไปด้วย แล้วก็เข้าไปพบคนเป่าคุยคนเป่าคุยเป่าคุยอย่างสบายอารมณ์คนเป่าคุยก็บอกว่าท่านคงได้ไปพบพระคมพีที่สุดยอดมาแล้วได้อ่านพระคำพีนั้นมาแล้วใช่ไหมบอกใช่เดี๋ยวในคมพีนั้นเนี่ยอ่านพระคมพีแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเรา เราก็เลยบอกกับคนที่เป่าคุยว่าในเมื่อท่านแก่รู้แก่ใจข้าก็รู้แก่ใจใยต้องถามกันแล้วก็ก็อยกันแล้วก็หัวเราะคนที่เป่าคุยก็เลยส่งมอบคุยให้เป่าแล้วก็ก็จากไปคนนี้ก็เป่าคุยเต้นเต้นไป คนที่วางพบขันหน้าพบสุดยอดระคัภีรพบขันหน้าแล้วก็พบใจที่ว่างเปล่าเมื่อละใจไ้ว่างเปล่ากันตีเขาเปล่าคุยได้พบคุยก็คือได้เปล่าคุยก็คือนิพพานแต่แม้นิพพานนั้นน่ะคนที่เปล่าคุยที่เป็นนิพพานมาก่อนแล้วก็ไม่ได้ยึด น, นิพพานไว้เป็นของตนเมื่อใครที่ได้พบพระคัมภีร์แล้วปล่อยวางจนถึงใจที่ว่างเปล่าแล้ว คนนั้นก็ได้นิพพานต่อไปก็ได้เป่าคุยต่อไป